เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะให้นึกภูมิใจที่เราได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ว่าคนอย่างไรอย่างไรก็จะจับเอามาบวชได้ทั้งหมดต้องเป็นคนมีบุญวาสนามีร่างกายสมบูรณ์ไม่วิปริต ไม่เสียองค์ฆ่าระทางจิตใจก็ไม่วิปริตเลือกกันซาเต็มที่นะกลัวจะได้รับเข้ามาบวชนี่ถ้าคนใดมีความวิบัติขัดข้องในอายะร่างกายหรือตลอดถึงจิตใจไม่ปกติอย่างนี้เพื่อนก็ไม่รับเอาบวช ให้นึกดูให้ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้เข้ามาบวชนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมีวาสนาบางคนเมื่อเป็นคฤหัสถ์มันก็ไปคบเพื่อนเสเพต่างๆนานานะออไปซ่องเสพของเสพติดให้โทษ จนร่างกายสุดโทมอย่างนี้มันอันนี้นี่ไม่มีใครทำไม่ใครไม่ใช่กรรมเวรหนหลังอะไรอันนี้เน่ตัวเองทำให้ตัวเองในปัจจุบันนี่แหละรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันนึกว่าเป็นของดีแต่นั้นมันก็ยังมีบุญนั้นหนึ่งโยโดนบันดาลให้ได้มาบวช คนเรานะ่ะอย่างนี้แหละมันทำทั้งดีทั้งชั่วมาในสงสารนี่นะเอากมดีมันผัดลบันดาลให้หมุนไปทางดีกำชั่วมันก็ขวางไว้ไม่ให้ก้าวไปนี่ให้ดูให้รู้คนเรานะ่ะการเป็นนักบวชนี่แหลยได้ชื่อว่าเป็นการมีโอกาสได้เว้นจาก การกระทำกรรมชั่วเช่นเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้เราเว้นได้เด็ดขาดไปเลยสำหรับเป็นนักบวชนี่ถ้าเป็นคารมหัตต์แล้วหากว่าผู้นั้นไม่มีศรัทธาแรงกล้าจริงๆในศีลลนะมันก็เว้นจากการเบียดเบียนไม่ได้เลยก็ไปทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองไป อย่างนั้นแนวก็กรรมเวรเนี่ยมันก็ติดสอยห้อยตามไปเอาทำกรรมเวรแต่หนหลังนุ่นกรรมเวรเนี่ยมันก็ติดสอยห้อยตามมาในชาตินี้เมื่อมันตามมาทันเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นชีวิตของผู้นั้นก็ถึงซึ่งความวิบัติหัดค้องหนา น, นาประการ จะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายไอ้ทนทุกข์ทรมานอยู่งั้นแหละนี่แหละเรื่องกรรมชั่วต้องรู้ไว้พระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านบวชเข้ามาแล้วไม่ซึกอยู่ไปตลอดชีวิตได้ บางท่านก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรก็เพราะท่านเห็นภายในบาปกรรมของผู้ครองเรือนนี่แหละผู้ครองเรือนมกอักจะสร้างกรรมสร้างเวนใส่ตัวเองดังนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วถ้าจิตใจกรสันอยากศึกมาม อ, อะไรบากันนึกถึงกรรมถึงเวนที่ ตนออกไปแล้วจะต้องไปสร้างกรรมสร้างเวนอันชั่วร้ายกรรมเวนนันจิตติดตามสนองให้ไปตกนรกหมกไหมได้รับทุกข์ทนทรมานเมื่อมันคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็กลับจิตได้เพราะกลัวไป ใ, ในนรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มานึกถึงชีวิต ที่เกิดมาในโลกนีนะ้มีอายุสั้นน้อยเดียวหนึ่งเราจะมาถือเอาอายุสั้นเท่านี้แล้วไปทำบาปทำกรรมชั่วใส่ตัวเองไปไปม า, มาหน่อยหนึ่งก็ตายตายแล้วกรรมชั่วนะั้นมันก็ฉุดไปนรกอบายภูมิไปทนทุกข์ทรมานอยู่นูนนะ่นนั่นแหละคนไม่มีปัญญา ไม่มีเหตุผลไม่คำนึงถึงชีวิตอายุสังขารอันนี้มันถึงได้หลงไหลมัวเมาทำบาปทำกรรมผู้ที่มันมาพิจารณาถึงชีวิตนี่มีประมาณน้อยนิดเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะทำตันหานี่ให้หดตัวเข้ามา จะไม่ยืดออกไปเพราะว่าคนเราเมื่อเล็งเห็นแล้วว่าอายุนี่ไม่ยืนนานอะไรไปๆแล้วไม่กี่ปีเราก็จะตายจากโลกนี้แล้ว mm. เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราก็จะต้องทำบุญไว้ดีกว่าทาบาปเ mm. พราะไหนๆมันก็จะตายอยู่แล้วนี่ เราก็ทำบุญให้เป็นที่พึ่งของตนไปในโลกนะ่า จ, จะไม่ดีกว่าทำบาปหรือผู้มีปัญญามันก็ต้องสอนตัวเองอย่างนี้แหละสอนตัวเองอันนี้เข้าไปบ่อยมันก็มันก็รู้ไดนะ้มันก็รับรู้ว่าเป็นความจริงนะการที่เราจะมาถือเอาอายุน้อยนิดเดียวเท่านี้แล้วไปทำบาปทำกรรม เมื่อตายไปแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์นั่นแหละเป็นผลนะ่ะแล้วจะมีประโยชน์อะไรอะความสนุกในโลกนี้การทําอะไรตามใจตัวเองอไม่เคารพต่อคําสอนของพระเจ้าอย่างนี้นะมันเป็นความประมาทในชีวิตของตัวเองอย่างยิ่งเลยก็เมื่อตัวเองนะไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรเลย อย่างนี้แล้วก็ยังไม่เชื่อคําสอนของอุตตเจ้าอีกทําอะไรก็ทําตามใจชอบตัวเองเมื่อตอนชอบมาแล้วจะเป็นบาปก็ยอมรับเอาบาปนั้นอทํอา ม, มันลงไปตามที่ตนต้องการต้งตนชอบก็เมื่อมันยอมรับเอาบาปนั้นแล้ววะเนี้เมื่อเวลาบาปนั้นมานตามให้ผล มาแล้วก็เอาแล้ววันนี้ทนทุกทรมานร้องให้รำไรร้องให้คนโน้นช่วยคนนี้ช่วยอะไรต่ออะไรไปเนี่ยใครไปช่วยได้ในเมื่อตนทากรรมชั่วใส่ตัวเองกรรมชั่วนะั้นมันตามมาสนองเอาอย่างนี้นะนั่นแหละมันต้องพิจารณาดู ในปัจจุบันนี่แหละถึงแม่ตัวเองไม่ได้ประสบกรรมเวนอย่างนั้นในชาตินีนะ้แต่ถ้าผู้ใดไม่สำรวมตนอย่างว่านี่ไปเบียดเบียบนบุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้แลลวก็ต่อไปเบื้องหน้ากรรมเวนมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์ไปเหมือนอย่างคนที่เขาได้สวยทุกจากกรรมชั่วที่เขาทามาแต่ในอดีตนี่นนต้องคิด ให้มันนั่นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันต้องโยงเข้ามาสู่ปัจจุบันคนมีปัญญาถ้าคิดถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมันก็เป็นอุบายสอนใจได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วไปคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตก็มีแต่กิเลสตัญหามันเกิดขึ้นไม่เป็นอุบายสอนใจ ดัง <c oughs> นั้นในฐานะที่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้านะเราต้องมีอุบายสอนใจตัวเองตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่แนะนํามานี่แหละถ้าเรามันนึกถึงบุญกุศลอมันนึกถึงความตายมันนึกถึงชีวิตมีประมาณน้อยมาเป็นอารมณ์อยู่บ่อยๆอย่างนี้นะ มันก็ทำให้ใจของเรามันหดตัวเข้ามาความอยากความปรารถนาอันใดมันก็เบาบางลงสำหรับคนผู้กิเลสไม่หนาเกินไปนะนี่เมื่อเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าอย่างนี้นะจะให้มันเบื่อมันหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้ได้อย่างไรเล่า เ่อชีวิตของตนมันเป็นไปในทางที่ไม่ดีอย่างนี้ก็ยังไม่คิดแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นอย่างนี้นะแล้วมันจะไปเจริญไปได้ยังไงละชีวิตเนี้ยเพราะมันไม่คิดแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นคนเรานี่นะบางคนก็คิดได้อยู่หรอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว แต่สู้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้จึงไม่คิดแก้ไขตัวเองไม่คิดละความชั่วไม่คิดทำความดีให้เจริญขึ้นในตนของตนเพราะตนตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาตัณหานี่อวิชชาตัณหามันบังคับมาให้คิดชาระล้างตัวเองให้สะอาด อวิชชาตันหามันทำให้คนเรานั่นชื่นชมยินดีกับความชั่วกับความมัวหมองของขิดใจเอ้าถ้าได้โกรธใครแล้วก็ดีมากไม่นึกว่าความโกรธอันนั้นมีคิดมีภัยต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างไรไม่คิดเลยถ้าได้ไปโลภไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นเอาเป็นของตนนัด ถือว่าตนเก่งตนฉลาดนั่นแหละคนหลงคนเมาคนตกเป็นธาตของความโลภความโกรธความหลงอบรรดานะักปฏาทห์ทั้งหลายท่านไม่เห็นอย่างนั้นนี่ท่านเห็นว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการเบียดเบียนนีอการเบียดเบียนการเป็นทุกข์ในโลกออืพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วก็องค์รู้แจ้งแทงตลอดแล้ว ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสแสดงก็าตามนะแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นถึงพระ อ, องค์เจ้าไม่สแสดงก็าตามเพราะการเบียดเบียนกันนั่นก็เป็นทุกข์ในโลกจริงๆทุกทั้งผู้เบียดเบียนทุกทั้งผู้ถูกเบียดเบียนอย่างนี้แหละทุกข์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยเพราะฉะนั้น ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนานี่มันต้องตันหนักในเรื่องนี้ให้มากๆากไม่มีอะไรเรื่องกรรมเรื่องเวีนนี่นะมันเรื่องการเบียดเบียนกันนี่แหละถ้าผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนได้แล้วผู้นั้นก็ไม่มีกรรมไม่มีเวียนติดตัวพูดเอาอย่างง่ายๆอย่างเงี้ลองคิดดู สินห้าประการนั่นนะพระพุทธองค์ทรงบัญญัติห้ามไว้มันร่วนตั้งแต่เป็นเรื่องเบียดเบียนกันทั้งนั้นหละข้อสุดท้ายนั่นนั่นเป็นการเบียดเบียนกันอย่างไร้กาศที่สุดเลยทีเดียวคนฆ่ากันตายด้วยการดื่มของมืนเมาเนี่ยมีมากมายเหลือเกินในโลกอันเนี้คล้ายๆกับว่ามันจะมากกว่า การเบียดเบียนกันโดยทางอื่นซ้ำเป็นไรดังนั้นผู้ใดผู้มีปัญญาทั้งหลายนะ่ะพิจารณาเหตุผลอย่างนี้เจมแจ้งในใจแล้วมันก็ควรเว้นให้เด็ดขาดไปเลยนะการส่องเสบของมึนเมาต่างๆนี่นะเพราะมันเป็นมูลฐานแห่งความชั่วมากมายหลายประการจริงๆนะ่ย ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤรื้หัดเอาทุกวันนี้นักบวช ด, ดื่มเหล้าเมาสุรายาฟินก็มีแล้วมีแล้วลงหนังสือพิมพ์กันโครมเลยปรเดีย๋ยเอานักบวชตัอ น, นักบวชฆ่ากันตายก็มีแล้วเนี่ยจะว่าจะคารหัดมหมจะเป็นนักบวชแท้ๆเอาผ้าเหลือง ข้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอาราหันต์ไปหุ้มตัวแล้วก็ทำความชั่วยอย่างอุกฤษมีอยู่แล้วทุกวันนี้นะนี่ น, ะน่าทุเล่ จ, จริงๆนาะต้องพิจารณาให้ดีบางคนเห็นคนอื่นเขาทำอย่างนั้นผดชื่นสมยินดีด้วยซ้ำกม็มีอัน ผู้หนาไปด้วยกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าผู้มีกิเลสเบาบางแล้วได้ทราบอย่างนั้นมันก็สังเวชทันลดใจในกรรมชั่วของคนเราสร้างกรคำชั่วใส่ตัวเองนั่นเรียกว่าคนไม่มีเมตตาตนนะไม่ปรารถนาจะส่งเสริมตนของตนให้มีความสุขความเจริญ ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีแต่ส่งเสริมให้ตนตกทุกข์ได้ยากลำบากไปเรื่อยๆในชีวิตและจะดชื่อว่าเป็นผู้มีเมตตาตนอย่างไรแล้วนี่แหละคำว่าเมตตาตนนี่นะต้องพิจารณาให้ดีทุกคนก็แสดงว่ารักตนอย่างนี้เนะี่ยแต่บางคนก็รักตนแล้วผขายังไปสร้างสิ่งที่ นำทุกมาให้แก่ตนนั้นอยู่แต่แล้วก็ยังประกาศว่ารักตนอย่างนี้มันจะไปถูกต้องยังไง อ, อ่มันไม่สมเหตุสมผลถ้าวารักตนจริงๆก็ผู้อยู่ผู้ใดอยู่ในเพศใดอยู่ในฐานะเช่นใดก็รักษาตนให้ดีสํารวมตนให้ดีอย่าไปทำความชั่วตามบทบรญญัตินั้นนั้น ต้องเอาชีวิตถวายบูชาศีลบูชาวินยัยอย่างจริงจังตั้งความสัตย์ความจริงลงในใจเอาละต่อนี้ไปเราจะไม่ล่วงสิกขาบทวินนยน้อยใหญ่ทั้งหลายเราจะไม่ล่วงศีลที่ได้สมทานมาแล้ว ตายเพราะความสัตว์ความจริงอันนี้แล้วก็แล้วไปเราขอตายอยู่ในความสัตว์ความจริงอันนี้เพราะไหนๆมันก็จะตายอยู่แล้วถึงไม่ตั้งความสัตว์ความจริงอันนี้ลงไปมันก็ตายถึ ง, ถงเวลามันตายแล้วอย่างนี้คนไม่มีความสัตว์ตายไปมันก็เหมือนกับไม่ลอยน้ําสุดแล้วแต่กระแสน้ำมันจะพัดไปทางไหน บางทีมันก็เลยไปค้างอยู่ตามเกาะตามแก่งเหมนะืนนั้นไม่ไปถึงทะเลหลวงเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนไม่มีความสัตย์ความจริงอยู่ในใจเนี่ยใจมันเหลอแหละใจมัน air. อ่อนแอพอความชั่วอะไรกรทกกระทั่งมาเข้าไปก็ล้มไปตามความชั่วนั้น ดิ้นลนไปทําชั่วไปตามกิเลสนั่นนั่นอา้าวถ้ามีเรื่องดีมาถึงเข้าอา้าวทาดีไปพอมีใครชวนไปทําชั่วก็ทาไปเนี่ยมันก็เหมือนไม้ไมลอยน้ำถ้ากระแสน้ามันพัดตรงไปไม้มันก็ลอยตรงไปถ้าไปถึงกระแสน้ามันโคดมันก็โคดไปตามกระแสน้านั่นทีมันก็ไปค้าง อยู่ตามเกาะตามแก่งเหมือนอย่างชีวิตของบุคบคลผู้ปราศจากความสัตย์ความจริงนี่แหละเมื่อปราศจากความสัตย์ความจริงแล้วทำความดีให้สม่ำเสมอตลอดโลดฝังไปไม่ได้เดี๋ยวก็ไปทำความชั่วเข้าไปอย่างนี้เออนี่มันก็เหมือนอย่างบุคคลที่ เหมือนยังไม่รอยน้ําอย่างว่านั่นแหละมันก็ไปค้างอยู่ตามเกาะตามแก่งนี่บุคคลผู้ที่ดีก็ทําชั่วก็ทําถ้าบังเอิญไปทําความชั่วมากความชั่วมันก็โน่งเหนี่ยวชีวิตนี่ไว้ในโลกอันนี้หรือว่ายมโลกเออมันจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้เลยพระนิพพานนั้นท่านเปรียบเหมือนกับทะเลหลวงอันกว้างใหญ่มองไม่เห็นฝั่ง นั่นลยอันเกาะแกงนั่นท่านอุปมาเหมือนกับภพบชาติที่สัตว์ทั้งหลายเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่มาคล้องอยู่ในภพในชาติบางทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบางทีก็ไปเกิดเป็นเปรตบางทีก็ไปเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิรเรกชันอ่าบางชาติก็มาเกิดเป็นคน หมูเวียนกันอยู่เนี่ยไม่ไม่หาทางออกจากวงเวียนวังวนอันนี้ไปไม่ได้เลยคนไม่ได้ฟังคําสอนของพุทธเจ้าไม่รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมผู้ที่ไม่เพียรพยายามล่ากรรมมันชั่วทำกรรมอันดีใส่ตัวเองมันก็หนีจากวังวน คือความทุกข์ความยากความลำบากต่างๆในโลกนี้หรือโลกอื่นต่อไปมันหนีไปไม่ได้เลยก็กรรมชั่วที่ตัวทำนั่นแหละมันน่วงเหนียวให้วนเวียนเสวยทุกข์อยู่ในโลกสันิวัท์อันนี้นะมันไม่มีใครเราไปทำให้ใครเป็นทุกข์ตัวเองทำให้ตัวเองแท้ๆคิดดูให้มันเห็น ก็ไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละสาคัญมากความไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้เสริฐในโลกนี่นะก็ที่ที่ไม่ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นกับเพราะไม่เชื่อนั่นเองเลยเออไม่เชื่อว่าถ้าตนเว้นจากกรรมชั่วอันนี้แล้วตนจะมีความสุขต่อไปเบื้องหน้าอย่างนี้นะมันไม่เชื่อ หรือไม่เชื่อว่าการทำบาปทำกรรมอย่างนี้นะมันจะได้รับผลเป็นทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั้นไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อนะั่นแหละมันถึงทากรรมชั่วเหล่านั้นล่วงพุทธบัญญัติไปได้นี่ลองคิดดูให้ดีแต่แล้วก็ยังประกาศว่าตนเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้านะตนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า อพากันกราอพากันไหวเพียงแค่กราบแค่ไหวเท่านั้นนะมันพ้นจากนรกไปไม่ได้หรอกมันจะพ้นจากนรกได้นะ่ะเพราะเว้นจากความประพฤติชั่วทางกายทางวาจาต่างหากเรื่องมันนะนี่าอคนเรามันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แค่ตื้นตื้นได้แค่ เด็ดเอาดอกไม้ทูบเทียนอะไรแล้วก็เข้าไปวัดแล้วก็ไปจุดทูบเทียนบูชากล่าบไหว้เท่านั้นเราก็ถือว่าตนได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วหรือว่าได้ทําบุญตักบาตรถาวายทานเป็นครั้งเป็นคราวไปอย่างนั้นเราก็ถือว่าตนได้นับถือคุณพระรัตนกรายเป็นที่พึ่งแล้ว ส่วนความชั่วนั้นทำอยู่งั้นแหละส่วนศีลนั้นไม่คำนึงถึงเลยไม่คิดว่าจะรักษาไม่คิดว่าจะสํารวมระวังไม่ได้ตั้งจิตเจตนาว่าจะละเวน้นกรรมชั่วนั้นๆั้นเลยไอ้อย่างนี้นี่ความนับถือพระพุทธศาสนาแค่นี้นะมันปิดประตูอับบายภูมิ มีนาลกเป็นต้นไม่ได้เนี่ขอพูดตรงๆอย่างนี้แหละพูดอ้อมค้อมมันนานแจ่มแจ้งจุดประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมุ่งหวังให้พุทธบริษัทนั้นละกรมอันชั่วเนี่ยออกจากกายวาจาใจก่อนอื่นทั้งหมด ถ้าผู้ใดไม่ตั้งใจตั้งเจตนาที่จะละ ก, กรรมชั่วออกจากกายวาจาใจอย่างว่านี้แล้วไม่มีทางหรอกที่จะปฏิบัติทำขั้นสูงขึ้นไปได้ไม่มีทำไปไม่ได้ดังนั้นจึงชื่อว่าการที่บุคคลใดมีฮิริโอตปาธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วตั้งคิดเจตนาวิรัตละเว้นจากกรรมชั่ว ทั้งห้าอย่างนั้นได้นะก็จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝังรากแก้วของศาสนาลงใน จ, ใจิตใจของผู้นั้นแล้วได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวในวิในท่านว่านั่นแหละพระวิในนี่นะเป็นรากแก้วของศาสนาเพระองค์เจ้าทรงแสดงไว้ มันก็แน่นอนเลยทีเดียวเพราเมื่อบุคคลมาละกรรมมันชั่วต่างๆที่พระองค์เจ้าห้ามไว้นั่นได้แล้วอย่างนี้มันก็ได้ความสุขความสบายใจก็จึงได้มองเห็นคุณของพระพุทธศาสนาอะรบรแบนี้นะโอ้พระพุทธศาสนานี่สอนให้คนมีความสุขความสบายจริงๆสอนให้คนไม่เบียดเบียนกัน สอนให้คนเอเื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน เ, เมื่อม า, มาพิจารณาผลแห่งการกระทำแห่งการเว้นจากกรรมอันชั่วต่างๆเหล่านั้นแล้วมันถึงได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแรงกล้าขึ้นมาในใจแล้วต่อจากนั้นคนผู้นั้นก็ไม่ได้เสื่อมจากพุทธศาสนาถ้าเป็น ชายกชายิกาอย่างนี้ก็ไม่เสื่อมจากข้อวัดปฏิบัติไม่ละทิ้งวัดวาศาสานาตั้งอกตั้งใจบำรุงวัดวาศาสานาไปจนตราบเท่าสิ้นชีวิตเพราะเหตุดังเชิงว่าวินัยหรือศีลเนี่ยพระพุท อ, อ, องค์จึงตรัสว่าเป็นรากแก้วของวาศาสนาคือทําให้พระพุทธศาสานานี่ตั้งยั่งยืนอยู่ไปได้ ต, ตลอดการนานนะ เหมือนอย่างไม้ที่มีรากแก้วอย่างลงลึกนั่นแหละมันก็ทานลมพัดมาทิศทั้งสี่ได้เลยไม่หักไม่โค่นเพราะรากแก้วมันอย่างลึกมันยึดลำต้นไวได้นี่พจาะฉะนันให้พากันพิจารณาให้เห็นคุณค่าแห่งศิลแห่งวิในในพุทธศาสนานี้ให้ได้ สำหรับผู้นับถือพุทธศาสนาแล้วจะเป็นครือข่าก็ตามเป็นนักบวชก็ตามก่อนอื่นแล้วต้องแห่งเรื่องวินยัยเรื่องศีลนี่ต้องสำรวจตรวจกาบความประพฤติทางกายทางวาจาของตนแต่ละวันแต่ละคืนเนี่มันตรงตามศีลตามวินยัยหรือไม่หรือมันล่วงเกินยังไงนี่ มันต้องกวดกลาดูตนของตนเสมอเสมอถ้าเห็นว่ามันมัวหมองอยู่ตรงไหนมันมันยังล่วงเกินวินัยหรือสินข้อใดอยอู่ก็พยายามตั้งใจสมทานสินข้อนั้นให้มันมั่นคงไปชำระกายวาจาใจของตนให้มันสะอาดปราศจากบาปอากุศลต่างๆ แล้วเสนี้มันก็จะเป็นแนวทางที่จะให้ก้าวไปสู่การเจริญสมาธิภาวนาได้ทำใจให้สงบระ ง, งับลงได้เพราะมันไม่มีบาปติดตามรบกวนจิตใจนี่ถ้าหากว่าผู้ใดยังมีบาปรบกวนจิตใจอยู่เนี่ยผู้นั้นจะทาใจให้สงบลงไม่ได้ นอกจากว่าได้ชำระบาปเอานั้นให้หมดออกไปจากกิจใจซะก่อนได้อธิษฐานใจละเว้นเอาจริงจังลงไปเลยอย่างนี้นะถ้าผู้ใดรู้ตัวว่าตนมีบาปอยู่ในใจอย่างนั้นแล้วอธิษฐานใจละเว้นลงไปต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำชั่วอย่างนั้นอีก ด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้จิตข้าพเจ้าสงบระ ง, งับจากนี้วรณะธรรมทั้งห้าประการนี้ขอให้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจจะธรรมทั้งสี่มีพระนิพพานเป็นที่สุดเมื่อไดตั้งความสัตย์ความจริงใจลงอย่างนี้แล้ว สั้งใจบำเพ็ญสมาธิสมถะทาใจให้สงบลงไปมันก็สงบได้ต้องให้เข้าใจอันการปฏิบัติทมในพุทธศาสนาที่จะให้ก้าวหน้าไปได้นั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปลงแล้วก็ถึงว่าต้องเว้นจากความประพฤติชั่วทางกายวาจาใจมีข้าสัตว์เป็นต้นดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้